อาชีพที่เป็นหน้าเป็นตาให้พ่อแม่แต่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเหมือนชีวิตที่มาใช้หนี้เก่าเมื่อสองศตรวรรษก่อนมีตำนานพ่อใจร้ายที่กลายเป็นเรื่องดีของโลกสร้างหนึ่งในขีตากวีเอกขึ้นมาคนหนึ่งคือลุดวิสฟานเบโตเฟนพ่อขี่เมาของเบโทเฟนหมายมั่นปั้นมือมากที่จะให้ลูกของตัวเองมีชื่อเสียง เทียบเท่ากับวอลฟกังอมาเดอุสโมซา์ที่สำคัญคืออยากให้ลูกเป็นเด็กอัจฉริยะเล่นหากินได้ตั้งแต่หกขวบแบบโมซาดเขี่ยวเข็นต่างๆนาน า, นาลากจากที่นอนแต่เช้ามืดและกว่าจะอนุญาตให้เข้านอนก็ดึกดื่นอ้ามเล่นกับน้องบางทีก็ถึงขั้นทุบตีกระทำทารุณทั้งหมดก็เพียงเพื่อบังคับให้ซ้อมดนตรีทั้งวันลูกจะได้เก่งจะได้ดัง ทำเงินให้ตนเป็นเกาะเป็นกรรมชะตาของเบโทเฟนดันเข้าทางพ่อใจร้ายเข้ากลายเป็นอัจฉริยะขึ้นมาจริงๆเก่งขนาดเล่นเป็นโนระดับแสดงคอนเสิร์ตได้ตอนเจ็ดขวบแต่กระนั้นพ่อโหดก็โกหกคำโตต่อสาธารณะประกาศในงานเปิดตัวว่าเบโทเฟนอายุแค่หกขวบซึ่งกระเพื่อให้สู้กันได้เมื่อเทียบกับโมซาร์ทตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ ตอนผู้คนนึกถึงเขาจะนึกถึงดนตรีมหัศจรรย์ไอสไตล์เคยเปรียบเทียบไว้ว่าโมเส์ค้นพบดนตรีบริสุทธิ์ส่วนเบลโตเฟนสร้างดนตรีขึ้นมาเองคำยกย่องนี้มีคนยอมรับกันมากแต่ตอนที่เบลโตเฟนมีชีวิตเขารู้สึกย่างไรกับชีวิตตัวเองอันนี้คงไม่มีใครให้คำตอบแทนเขาได้รู้แต่ว่าใครเห็นหน้าเบตเฟนก็ไม่อยากเชื่อแล้วว่า เป็นพวกมีความสุขกับใครในเมื่อบูดเบื้องตลอดเวลาขนาดนั้นชีวิตหนึ่งจะเป็นสุขไปได้อย่างไรเมื่อต้องเศร้ากับพ่อซึ่งเป็นนักดนตรีขี้เมาขู่เข็นบังคับต่างๆนานาตั้งแต่ห้าขวบแถมเอารายได้ที่ลูกหาให้ไปซื้อเหล้าแทนที่จะเอามาเลี้ยงดูตนกับน้องหรือเอามารักษาแม่ซึ่งเจ็บป่วยอดแอดอ ด, อ ด, อ ด, ดนตรีแสนมหัศจรรย์ของเขา เป็นได้แค่วิธีระบายความข้างแค้นออกมาโดยไม่จำเป็นต้องฆ่าคนหรือเปล่าเป็นที่รู้กันว่าเบตโตเฟนเป็นคนมีปัญหาทางจิตแม้เขาจะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์แม้ว่าเขาจะได้ภูมิใจในตนเองขณะยังมีชีวิตแต่ชาติของความเป็นเบโตเฟนก็เหมือนตกนรกทั้งที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นี่แปลว่าต่อให้เลี้ยงลูกจนเป็นอัจฉริยะ เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของโลกก็ไม่แน่ว่าหมายถึงการทำบุญทำคุณเสมอไปบางทีบางคนอาจหมายถึงการได้ก่อ บ, บาปใหญ่ในการสร้างนรกให้ลูกของตัวเองต่างหากสร้างนรกให้ลูกอย่างไรเกิดใหม่ก็ต้องไปเจอนรกจากพ่อแม่อย่างนั้นเบตอเฟนเป็นหนึ่งในแสนที่เป็นอัริยะขึ้นมาได้จากการถูกเขี้ยวเข็น ให้เป็นอัจฉริยะเปล่าคือหลังจากทนทุกข์กับการถูกบังคับให้เล่นดนตรีถึงจุดหนึ่งเขาเกิดความสุขกับมันขึ้นมาจริงๆเล่นได้ทั้งวันเล่นด้วยความกระหายจากภายในของตนเองนอกนั้นเกือบร้อยทั้งร้อยเอาเป็นว่าเกิน 99.99% อ99ร์ซตกเป็นเหยื่อความอยากของพ่อแม่ปล่าเปรปลีปลไม่ได้ดิบได้ดีแล้วก็ไม่ได้มีความสุข กับสิ่งที่พ่อแม่หมายมั่นปั้นมือไว้เลยมีเส้นแบ่งบางๆระหว่างการอยากให้ลูกโดดเด่นทำเงินเอาตัวรอดได้ตอนโตกับการอยากให้ลูกเด่นดังเพื่อทำรายได้งามๆให้พ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็กแนวโน้มอาชีพที่ทำรายได้ยุคก่อนคงไม่พ้นหมอและวิศวะแต่ปัจจุบันอันเนื่องจะเห็นด้วยตาเปล่ากันเยอะว่า เป็นดารานักร้องในแบบหนึ่งแบบแล้วรวยลัดรวยเร็วก็เกิดเวทีประกวดประชันเพื่อทางทางไปสู่การเอาดีทางบันเทิงกันมากประเด็นคือถ้าลูกไม่ได้มีของแต่กลับถูกเร่งรัดปลุกเร้าให้ของขึ้นก็อาจของขึ้นแบบเจ็บปวดหรือไม่ก็เจ็บปวดอย่างเดียวของไม่เคยขึ้นได้เลยสักวันถ้าคิดล่าเงินรางวัลก่อนคิดถึงความถนัด ไม่คิดถึงความชอบใจที่แท้จริงของเด็กสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกในระยะสั้นคือความวิบัติทางใจลูกและสิ่งที่จะเป็นอันดับต่ อ, ตอไปในระยะยาวคือความร้าวฉานท้งครอบครัวเพราะคนเราพอมีโปมดินรนทรมานต้องฝืนใจทำในสิ่งที่ไม่อยากทำเป็นนานเข้ามันก็เก็บกดอยากระเบิดแค้นทั้งต่อพ่อแม่ที่ควบคุมบังคับตนและต่อคนรอบตัว กรอบครัวตนในที่สุดโจทย์ของพ่อแม่ที่คิดเลี้ยงลูกให้ถูกทางคือทำอย่างไรจะพาเด็กไปเจอโอกาสลองของให้มากที่สุดไม่ว่าจะยากดีมีจนเพียงใดขอเพียงไม่ปล่อยให้ลูกเล่นเปล่าๆแต่สังเกตไปด้วยว่าเล่นอะไรแล้วเขาชอบชอบอะไรแล้วเขาคิดต่อสร้างความสนุกลืมใจในความสามารถของตนเองได้ แล้วส่งเสริมลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถให้เขาในที่สุดเขาจะคืนอะไรอะไรกลับมาให้ทั้งความสุขความภูมิใจในการสร้างคนและอาจจะความมั่งคั่งที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ความถนัดเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาติดตามผลกันตลอด24ชั่วโมงแต่พ่อแม่ก็ฝากความหวังให้กับโรงเรียน นึกว่าเป็นหน้าที่ของครูหรือของใครสักคนที่โรงเรียนก็กระจายค่าเทอมให้โรงเรียนไปแล้วนี่ข้อเท็จจริงคือโรงเรียนมีครูจำกัดก็เลยหวังยิ่งยิ่งว่าพ่อแม่ของนักเรียนจะดูแลกันเองอยู่แล้วฝากความหวังกันไปฝากความหวังกันมาตกลงเด็กเลยไม่มีใครช่วยดูให้สักคนปัจจุบันมีแนวทางหาความถนัดให้เด็ก กันหลากหลายทั้งแบบฟรีที่เห็นใน y o u t u ู e ทั้งแบบเสียตังเป็นหมื่นค่าลิขสิทธิ์เมืองนอกประเด็นคือถ้าคุณอยากค้นหาจริงๆว่าลูกถนัดอะไรคุณจะทราบว่าความถนัดนั้นแท้ที่จริงก็คือการบ่งบอกให้ถูกว่าลูกของคุณเป็นคนอย่างไรเหมาะจะเป็นผู้นำเหมาะจะคิดสร้างสรร์เหมาะจะคิดตามเพื่อต่อยอด หมาะจะหาเวทีแสดงความคิดหรือเหมาะจะหาเวทีแสดงความสามารถทุกคนเป็นนักเิรยาได้หมดถ้าชอบใจในสิ่งที่ตัวเองทำสนุกกับมันได้ทั้งวันทั้งคืนเหมือนเด็กเล่นของเล่นถูกใจเมื่อเด็กสนุกกับอะไรโตขึ้นก็ไม่ต้องถามเลยว่าอยากเรียนอะไรอยากทำอาชีพอะไรเพราะเขาจะเริ่มต้นเรียนเองสะสมความรู้ความสามารถเองมาหลายปี ก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยกันแล้ว